ส ต, ตินี่เป็นตัวสําคัญมากพยาญาไม่มีส ต, ติอยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่กับ ก, บการกาหนดหรือกับการทำความรู้สึกนี่จะเป็นเป็นสิ่งสําคัญดยปกติธรรมดานแล้วเราไม่ได้มาดูเราไม่ได้มีส ต, ติมากาหนดจากความรู้หรือว่าความรู้สึก มันไปคิดอย่างอื่นไปทําอย่างอื่นไปดูอย่างอื่นไม่ได้ดูตัวเองไม่ได้พิจารณาตัวเองถ้าเรามาดูตัวเองพิจารณาตัวเองมาจากความรู้สึกแล้วกามีสติกําหนดรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวมันจะนั่งหรือจะเดินจะยืนจะทําอะไรอยู่ก็ให้เรามีสติแต่ตัวสตินี่แหละมันจะเป็นสิ่งที่ สำคัญหรือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เราเข้าใจได้ฝนเราถ้าขาดสติถ้าวันวันหนึ่งฝนเราถ้าขาดสติวินาทีหนึ่งก็ตกแล้วลบวินาทีหนึ่งถ้าขาดสติหนึ่งนาทีก็ตกหนึ่งนาทีถ้าขาดสติหนึ่งชั่วโมงก็ตกแล้วลบหนึ่งชั่วโมงลงอ่ันอันนี้เป็นจริงจริงเลยถ้าเราไม่มีสติเราดูบางครั้งบางขณะ เราไม่มีสติเราไม่รู้เท่ารู้ทันกับความคิดของตัวเองขณะใดที่เราเผลอขณะใดที่เราหลงขณะใดที่เรามีโมหะเราไม่รู้เราทันความคิดหรือเราไม่รู้การเคลื่อนไหวของร่างกายขณะนั้นเราตกนรกเราตกนรกหรือว่าขณะนั้นเราตายก็ได้แต่พูดอีกแปบบนี้พูดอีกในลนนักษณะว่าถ้าเราตายว่าเรา ตนกนรกในนรกเราได้ยินกันจนจะเบื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องปากเรื่องคุนทุกอย่าง ม, มันมันมีอยู่ในตัวมันไม่ได้มีอยู่นอกตัวมันมีในกายแล้วก็มันมีในใจ แ, นแต่สิ่งที่สูงที่สุดหรือว่าสิ่งที่ พวกเราปรา่าถนากันนะักป่าถนากันหนานั้นมันก็ยังมีอยู่ในตัวเราใกล้ๆกับที่ว่ากันนิพพานนี่พวกมือนกันมันไม่ได้มีที่อีกมันมีอยู่ในตัวอันนี้เราได้ยินคู่ได้ยินเทศได้ได้ยินตามคําแสดงแต่แท้ที่จริงนะั้นเรายัง ไม่ได้เขาไปสัมผัสจริงๆเรื่อเรายังไม่ได้ปฏิบัติให้มันเกิดสติหรือว่ามียานหรือว่าทัศนะเกิดขึ้นกับตัวจริงๆเราไม่ได้มีอการเข้าไปอยู่หรือว่าเข้าไปดูใ น, นจริงๆเราก็เลยไม่หายสงสัยถ้าเราปฏิบัติ ให้มันเป็นจริงๆแล้วหรือว่าปฏิบัติให้มันหลุดพ้นจริงๆให้มันดูดลอดจริงๆแล้วมันก็จะไม่หายสงสัยในการกระทำของตัวเองในเรื่องหายสงสัยเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราจะรีบกระทำเป็นสิ่งที่พวกเราจะรีบเดินที่ไปให้มันหมด คิดว่าปฏิบัติให้มันหายจริงๆทีเรื่องหายหรือเรื่องหมดอันนี้มันมันเป็นหน้าที่ของมันจะหมดไปเองหรือจะหายไปเองแต่สำคัญเรามีหน้าที่ทำอย่างเดียวเราไม่ต้องอยากจะไปเป็นกับมันไม่ต้องอยากจะเอาแต่มันให้เรามีการจะทําอย่างเดียวไอ้สิ่งที่มันจะเป็นนั้นมัน มันจะเป็นไปตามหน้าที่ที่มันจะเป็นไปตามกฎของธรรมชาติจะได้หรือว่ามันจะเป็นไปตามกฎของของมันเองเพราะว่าทุกกฎมันมีจะเป็นคนจนจะเป็นคนรวยจะเป็นคนอยู่ในฐานะหรือว่าหน้าที่ตำแหน่งอะไรมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันมีอยู่งั้นเพราะว่ามัน มันมีกับอยูทุกคนเราปฏิบัติไปเราทาไปแล้วมันจะเป็นเป็นของมันเองเราไม่ได้ไปเป็นหรือไปเป็นผู้ที่อยากจะเป็นหรืออยากจะเอาเมื่อมันพร้อมหรือเมื่อมันเจริญเต็มที่แล้วเรามีสติอย่างสมบูรณ์แล้วมันจะทำงานของมันเองมันจะไปของมันเองมันจะทำงานของมันเอง อันนี้ที่ผมเคยปฏิบัติหรือว่าจะมาเคยประสบการณ์ในการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติไปแล้วเบื้องแรกมันก็ต้องเข้าใจไปเรื่อยเข้าใจไปเข้าใจไปเรื่อเข้าใจไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเมื่อไปถึงจุดนั้นแล้วมันรู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งที่เป็นมหาไตรจัร์ก็ไหน اي หรือว่าเป็นสิ่งที่มันเกินความคิดหรือว่าเป็นสิ่งที่ ไม่เคยมีในในสมองก็ได้บามันจะเปลีป่ยนไปแบบนี้ว่าการจเจริญตรรกีแบบจับการเคลื่อนไหวการเดินงรงกรมการเจ็บมือเข้ากัรเอาเมือออกแต่ทำอย่างนี้มันมันไปเป็นอย่างนั้นมันไปเป็นแบบนั้นถ้าเราจะเอาจินมันเป็นจริงๆแต่เราอยากเอามันอยากเป็น สำคัญเราให้เรามีการกระทำแลม้มันเป็นจริงมันเป็นไปโดยกฎหรือมันเป็นไปโดยธรรมชาติของมันเองเพราะมันมีอยู่แบบนั้นเป็นอยู่แบบนั้นมีอยู่แบบนั้นอันนี้ผมร ป, ประสบการณ์มามันรู้สึกว่ามันมันมั่นใจหรือว่ามัน ยืนยันในตัวได้แต่พูดนี้ผมพูดตามความรู้สึกผมไม่ได้จับคําพูดไม่ได้หรือว่าตัมมาเองไม่ได้เอาคําพูดของคนอืน่นหรือว่าการกระทำของหรือประสบปฎาจของคนอืน่นมาพูดพูดด้วยความรู้สึกหรือว่าการสัมผัสหรือว่าการรู้หรือว่าทัศนะของตัวเองจริงๆ แต่คนอื่นนั้นอาจจะเข้าใจไปอีกอีกอย่างก็ได้หรือว่าเข้าใจไปอีกในมุมหนึ่งก็ได้แต่สำหรับผมเองหรือว่าอาตมาเองรู้สึกมันพูดออกมาด้วยจิตใจที่มันเป็นจิตใจที่ได้ประสบการณ์อว่าเป็นความรู้สึกที่ได้ ผ่านการปฏิบัติหรือว่าได้ทดสอบของตัวเองมาพอๆพสมควรในหลักการหรือว่าการปฏิบัติอนี่ไม่ต้องรู้อะไรมากหรอกเรื่องรู้มากๆบางทีมันอาจจะทําให้เราเข้าใจไปอีกดรูปหนึ่งก็ได้แต่สําคัญรู้น้อยๆสําคัญที่มันทําให้ตัวเรามันหมดไปหรือมันสิ้นไปนเนี่ย เป็นสิ่งที่สำคัญหรือมันทำลายความคุกหรือมันทำให้ชีวิตหรือมันทำให้ตัวของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรแล้วมันก็เป็นการที่ทำที่ดีที่สุดหรือที่ประเสริฐที่สุดที่เราเกิดมาพรพุทธศาสนาที่ว่าเราเป็นชาวพุทธหรือว่าเราเป็นนักปวนเนี่ย ไม่ต้องรู้มากไม่ต้องรู้ให้มันในความรู้ทัวหมหัวเอาตัวไม่รอดบางทีเรียนมากไี่ว่าปฏิบัติมากมากคูดได้มากในความรู้ของตัวเองนั้นยังทำให้ตัวเองได้รับความคุ่หรือว่ายัางทำให้ตัวเองไม่มีความสุขไม่ได้รับความสุขเท่าที่ควรอย่างนี้ก็ได้แต่เราไม่รู้มากแต่เรารู้ วิธีแก้ไขในรู้วิธีที่จะทำไม่ให้มันมีคุกอันนี้เป็นสิ่งสำคัญรือว่าเป็นหัวใจก็ได้เรารู้นิดเดียวแต่เราทำลายวัมคุกได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นถ้าพูดตามตำราเขาว่าสิ่งที่เกิดทางตาบ้างทางหูบ้างอายตนะภายนอกภายในเนี่ยมันไม่มีปฏิจริยามันไม่แสดงอาการ ที่ว่าวันไม่ไม่สัมผัสมันไม่เกิดได้มันไม่เกิด ไ, ไ, ไดอไ้อันนี้เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่ว่าเป็นจุดสำคัญที่เราจะเลือนสติที่จะเข้าไปหาตัวนี้แหละเข้าไปทำลายที่ว่าเข้าไปทำให้มันหมดให้มันสิ้นไปจริงๆถ้ามันหมดถ้ามันชิ้นแล้วใคเราจะพู่กันมัน หลายเรื่องหลายลาวพูดกันไม่จบไปถ้าเราทำให้มันสิ้นไปแล้วมันหมดไปจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรที่จะพูดไอ้พูดมากมันเป็นพูดได้มากมากมันเป็นวิธีการที่จะดึงหรือเป็นวิธีที่จะพูดให้คนสนใจหรือว่าพูดดึงคนหันเข้ามาศึกษาหรือว่าให้คน สนใจมากขึ้นในหลักของการเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาให้คนเห็นความสําคัญในทางนี้แต่ตอนนี้คนเรามันไปสนใจที่ว่าไปเห็นความสําคัญอย่างอื่นพอการเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาที่ว่าต่อการศาึกษาที่ว่าปฏิบัติธรรมะที่ว่าปฏิบัติตัวเองปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองอันนั้นมันจริงทําให้เราไม่เข้าใจ ในตัวของเราจะไม่เข้าใจในการกระทําของเรามากขึ้นแต่ใต้ที่เรามองเห็นการกระทําต่างๆหรือว่าอะไรหลายๆอย่างภายนอกที่ทําให้คนหลงหรือทําให้คนเข้าใจผิดในการกระทํามากขึ้นถ้าเราหันมาจเจริญ ว้าเราไม่มีการจับความรู้สึกมีสติรู้เท่ารู้ทันจริงๆแล้วมันก็จะดึงเราไปเรื่อยต่ําลงไป เ, เรื่อยเรื่อยเลืยมันก็จะพัดตกที่มันจะเก็บไม่ได้ที่มันจะตกหน้าตรงตัวเองจะได้ถ้าเรามีสติไม่ลืมตัวมีความรู้สึกต่อการเดินการ น, นั่งการ น, นอน ฟุสิริยบทอิริยาบทใหญ่สิริยาบทยย่อยให้เรามีสติตามการเคลื่อนไหวหรือว่าให้มีความรู้อยู่ทุกขณะติดตามอยู่ทุกขณะนั้นแหละมันจะเป็นสิ่งที่จะทําให้เราเข้าใจเร็วขึ้นหรือว่าการเดินทางการเจริญ ส, สติจเจริญธรรมะที่เจริญปัจจัยมันจะเร็วขึ้น ให้มันจะต่องขึ้นให้มันจะลัดขึ้นมันจะไวขึ้นอะไรลุงพ่อทันเสียเทียว่าเราจากกรุงเทพมาหาดใหญ่บางคุลอาจจะกี่เกียนก็ได้กี่อะไรก็ได้แต่มันสู้นั่งเครื่องบินไม่ได้แต่านั่งเครื่องบินนี่มันมันชั่วโมงตัวถิงนแล้วถ้าเราไปนั่ง รถหรือไปนั่งเกียนนั่งอะไรมันอาจจะใช้เวลาหลายชั่วโมงหรืออาจจะเป็นหลายวันจะได้การจะเดินสตินี่เหมือนกันหรือว่าการไอเดินจงตรมตารสร้างจังหวัดนีน่ก็เหมือนกันถ้าเราขาดสติทุกอย่างเดียวไม่มีทางที่เราจะเดินถึงจุดหมายปลายทางไม่มีวันที่เราจะถึงได้แต่มันก็ต้องมีโอกาส ไม่มีจังหวะได้อนกันเนี่ยมันอาจจะนานก็ได้ถ้าเราพยายามให้มีสติให้มีความรู้สึกให้มีสติอยู่เสมอเสมอนี่แหละไอ้ตัวสตินี่แหละมันจะทำของมันเองมันจะเป็นของมันเองมันจะไปทำลายความคิดรือว่าทำลายหลายๆอย่างที่มันมีอยู่ในเราหลายอย่างที่มันมีอยู่ในเร า, า, ยย า, เราถ้าเราไม่มีสติ แล้วทำลายมันได้ถ้าไม่มีสติสมาธิปัญญาทำลายมัได้เขาพูดใหเจ้าเหมือนกันอันนี้เป็นเราพูดใหเจ้าแต่ก็เจริญสติไม่ว่าท่านตาสติอันนี้เราพูดกันมากันนานเมื่อไหร่สติของเรามันจะเต็มที่เมื่อไหร่สติของเรามันจะสมบูรณ์มันจะทํางานไปเต็มที่คือมันจะเป็นในสิ่งที่ ไม่ควรเต้นเพื่อมันจะเห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็นมันจะรู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้หรือมันจะประปดดากฏการขึ้นในตัวของมันเองถ้ามันมีสติพร้อมสมบูรณ์เต็มเต็มที่คล่า้ายกับสวรรค์เหมือนกันถ้ามันแก่เต็มที่แล้วมันมันทำอะไรก็ได้เราไปตักค้า เราพามาตากมันจะแห้อันนี้ก็เหมืันกันสติของเราก็มือนกันถ้าเราเราจะอเรือให้มันเต็มที่แล้วมันมันจะไปทําลายเพราะว่าสตินี่เป็นตัวปดสติที่สุดท้ายก็น้ําปดก็ได้ถ้าเราเกียนะแต่สติที่สุ้ายก็น้ําปดก็ได้น้ํากดที่มันมันไปถูกเตื่อถูกป้ามันก็ตัดไปเลยมันทําลายไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันสตินึงมอนกันแา่จติที่ทำมันแกเต็มที่แ้ามันสมบูรณเต็มที่แล้วมันจะไปทําลายกิเลส กิเลสต่างๆที่มีอยู่ในตัวเราที่มันเกิดขึ้นหรืที่มันมันมีอยู่นั่นแหละแต่แท้ได้จริงไอ้พวกนี้มันไม่ได้มีอยู่ตลอดในขณะใดที่เราเผลอขณะใดที่เราหลงขณะใดที่เราขาดสติในว่าโง่ก็ได้เราเป็นคนลืมตัวขณะนั้นมันก็เกิดขึ้นแต่แท้ที่จริงแต่จริงๆแล้วมันมันไม่ได้มีอะไรอ่มันมันบริสุทธ มันอยู่โดยไม่มีอะไรที่มาทำให้ความเตือดร้อนหรือว่าความหลงตัวขึ้นอันนี้แหละเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนนี้กาเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะจะทำการคู่หรือว่าการให้พอดีในเช้าวันนี้ ผมเป็นผู้ที่ให้พอาคิดที่ว่าจะมาเป็นผู้ที่ให้พอาคิดบางอย่างการพูดมันอาจจะไม่เข้าใจหรือไม่ละเอียดพอ